ข้าวประดับดินหรือวันทำบุญข้าวฉลา ก, กระพัดวันนี้เป็นวันทําบุญฉลากรพัพัหรือว่าเป็นวันศาสตร์ทางอีสานเหนือของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราได้พร้อมกัน อ, องศสาคณา ญ, ญาติญาติพิดสหายลูกหลานทุกคนได้มารวมกันทําบุญตักบาตรจากนั้นก็ได้มาไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคําถวายทานต่อไปจะอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็โคศกก็ได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่ากะถินปีนี้กระถินวัดปานาคาน้อยของพวกเราเป็นวันที่แปดพธศจิกายนอาทิตย์ที่8พุพธศจิกายนพุทธศักราช2558ั้าร้หาาผู้ใด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 ลูกหายไปไหนนานพ่อเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้เองเออตามมกติลูกต้องมาดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าชลาพ่อแม่แก่เท่าชรลาและลูกต้องมาดูต้องมาแลแต่บัด น, นี้ลูกหายไปไหนนานทำไมไม่เห็นเอาเถอะพ่อมาเห็นลูกมาเห็นคนแรกเป็นคนท้วงติงขึ้นมาขอให้ลูกไปบ้าน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 แหมภรรยาของผาลมก็มาเกน็นโอ้พ่อลูกเอ้ทำไมหายไปไหนนานธรรมดาพ่อแม่แกเท่าชรลาก็ให้หรือก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกแต่ลูกนี่หายไปไหนไม่เห็นไม่เห็นมาใกล้มาไกลพ่อเลยแม่เลยแอันนี้คือพาลมนันเอก็เรียกเหมือนกันอีกแต่ก็เรียกเรียกให้ลูกๆตัวเองลูกทั้งหลายมากับ พระกราบพี่ด <mister monsieur> ูส <Kelvin and sa> e> ิพระเจ้าพ wow, ี่ด okay? ah ูส so ิทุกคนมากราบพระเจ้าพี่ลูกหลานลูกๆทั้งหลายก็มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก <man> ็ไ <me> ม่ปฏิเสธจากนั Spec ้นจากนั้นเขาก็ถวายพระทาานพระพุทธเจ้าพอพระถวายทหารพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็จะเด็ดกลับที่พักพอจะเด็ดที่พักพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเอ้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหม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 พราหม์ทั้งสองผัวเมียพูดกล่าวเราก็แปลกใจบนกันบายพวกเราก็แปลกใจทำไมเรื่องเราอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เลยพระสงฆ์ทั้งหลายก็สนทนากันพระพุทธองค์เสด็จมาบอกว่าสงฆ์พวกเราทั้งหลายพกท่านทั้งหลายสนทนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สงสัยและเกินว่าทำไมพราหมณ์สองตายายนี่ไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันในวัน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 เขาจะมีคติไปทางไหนพระเจ้าข่า เ, เขาจะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมหรือไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนพระพระุทธองค์บอกว่าเขาเป็นอเสขะแล้วสองตายายเป็นอเสขะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นพระหรหันต์แล้วเขาไม่มีเขาไม่มีพบหน้าอีกแล้วเขาถึงนิพพานแล้วออสองสองตายายเนี่ยพระพุทธองค์รับรองออแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอธิธาต์ของ สองตายายนั้นเอาไปบรรจุไว้ที่ไหนแต่ท่านไม่ได้พูดถึงอธิธษฐานในในในพระไตรปิฎกใ น, ในจุดนี้นะ เ, เพียงแต่บางถ้าเขาเป็นคนบางคนก็บอกว่าเมื่อไปชมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาอธิธษฐานไปไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้าสามัญชนทั้งหลายได้กราบได้ไหว่ายากนั้นเขาจะได้ระลึกถึง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 ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยะเออเหมือนกับตาบอดไม่เชื่อว่าเออมีหลุมมีบอ่อมีกากมีน้ำมีมีเหวมีบอ่อน้ำเออตาบอดเออไม่เชื่อคนตาดีเออพร้อมที่จะตกในไปในสิ่งเอ่อที่ตัวเองไม่เชื่อนะั่นนะได้ง่ายวันนี้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้จะดีกว่าเพราะปราด์ทั้งหลายท่านเคยประพฤติธปฏิบัติมาแล้ว